ธัศนะสู่ธรรมเรื่องปัญญาสามโดยพระอาจาร COVID ย์โกวิทเขมานันท์ะคุธรรมมากทารในวันนี้เรื่องจากสมรรกิจบางอย่างของท่านถ้เช่นนี้อ่าีรดยื่นผมดังปตามพรนธุมเนีที่ดีของบริษัท การฟังด้วยดีนั้นย่อมได้ปัญญาเสมอไปขรอนี้ก็ช่ว่าผู้พูดจะพูดได้ดีหรือไม่ดีก็หาไม่ได้เพระพุทธอค์เองนั้นตรัสว่าดูดอนทิชุูงท้่หน่อยให้เชิญเรียนรู้ลองฟังแม้เด็กหญิงเล็กๆพิมพ์หนตักน้นดีมหักฟื้นข้างกระตาเปลกติ ป ร, ร้ที่ำหร้อว่าใครเป็นูดจีนหรือเท็จอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ย่อยผู้รับเขาไว้ซึ่งเพอนนั้นเองไม่เกิดประโยชน์อันใหหลวงขึ้นมาจึงกรณีน่ที่เกิดขึ้นในเรื่อแต่จีนที่ลงเตียมแห่ ง, ท, บบงมมที่น่าระมังกํามังดีบปินร้องเคย กรมลูกค้าทาน่นนงกัดพ่อต่อว่าผู้ชายในเนี้เพนนั้นเพนพิตารพ่อถ้าเธอไม่มีใจต่อฉันแล้วเราก็เหจะเลิกกันที่เล็กน้อยที่นั่งบัมบึงมรงเพนทวนไปทวนมาอย่นั้นก็เพิกเฉยรุ่นนึงเลยผ่านมาพอดีแล้วท่านได้ยืนคํำฉะนั้นขึ้นแต่เมื่อความมันจะงั้นข้ามก็เคยท่านเข้าใจทันวันแล้น ว, ว่า ถ้าทำไปเองไม่มีใจก็รเรื่องกัน้เมื่อตอนนี้มันมีควญหาเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นจิตและจิตเป็นเราและจิตก็เป็นทุกข์และเราก็เป็นทุกข์ม่อจําับฉลุยที่ข้ามองข้างไในที้นราจนเกดิดกล้าว่าไอา้ผิวเท่ว่าเราข้างในนั้นมันไม่มี มันมีแนวการขึ้นขึ้นหลุ ง, ลงของขันนามธรรมมีรูปประการูปเนื้นนะตอตามธรรมชาติไม่มีชนไหนที่เรียกว่าฉันหรือจิตของฉันได้เมื่อไปที่นอมรพิจิวัตนั้นก็สว่างสวยขึ้นในกระดูแห่งธรรมต้นในชุดกายลงกราบรลงแหลมหลังนุ่นม่นฐานะที่มีตัวคุณ ด, ดาช น, นี้อิ่มซึ้ง คุณเองสิงที่อยาภาพยกขึ้นปรารว่าไม่ว่าผู้พูดจะเป็นใครหนึง่งแต่ถ้าผู้ฟังเนี่ยหูสึกดับลงด้วยดีแล้วย่อมได้รับปัญญาตามมากตามน้อยตามควรและอาจจะมากมายถึงที่สุดกแบบ็แล้แต่ผู้ฟังนั้นนั่นเอง <c oughs> สําหรับในคราวนี้ภาพจะต้นต้นรัญญยายด้วยข้อสังเกตบางประการในมูมอุตรตรปริสั์ ในเท่าที่ได้เสวนากันกับทายกทายกาผู้มีพระคุณดอกมันประชิดทั้หมายก็คือว่าเรามีการก้าวหน้าทางธรรมไม่อย่างนั้นชอาเกินไปข้อนี้มีใจบบความสำคัญวิทีว่าเพราะเราไม่รู้ว่าการเรียนวรามะนั้นมันมีหลายขั้นหลาตอนแล้วไปตบครุบหรือจดถอเาขั้นตอนเดียว ถ้าเข้าใจว่าเป็นการบรรลุเป้าหมายซึ่งข้อนี้เองเป็นเหตุให้เลื่อชนช้าทำให้นายเร้องต้องมีราวะก้าวหน้นจะเป็นไปเพื่ความเลื่อนช้าไม่ได้นี่ต้นน้ำสั่งไว้ในโคดามีทรูดเพรา ะ, ระฉะนั้นจะต้องทําในใจใหม่ที่จะรับรู้ว่ายังมีเรื่องอื่นที่ต้องทําอีกพลำดอกขั้นหนึ่งการเรียนรู้ของผู้ ธ, ธรรมนั้น ไม่ว่าลำดับขั้นในการเรียรู้ทางโลกในวิชาการทางโลกกด็ดีมันจะต้องมีลำดับอย่างน้อยที่สุดสามประการหรือสามลำดับสามขั้นตอนการเรียนชนิดแรกเรียกว่าสุดะคือการรับฟังอรียนริบจำมนจากสิ่งแต่าจากครูหรือประสาทสตดาหรือตำรับตำราท่ราไวา โยบุนันสุดาบมากมีสุดะฟังมากการมากเรียนมากแล้วจะเกิดปัญญาชนิดนี้เรียว่าสุดะเมียปัญญาปัญญาที่เกิดจากการสดับกับฟังเรียนปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาขั้นต้นซึ่งรับง่ายที่สุดและกว้างหวางและดูเหมือนว่าจะกว้างเกินจําเป็นด้วย ว่าสิ่งเรืสุดตะเมีอปัญญานี่มันอร่อยมากเป็นเยอหรือเป็นอาหารของผู้ที่ชอบที่จะจำอะไรอะไรไวม้มานมากก็พราะว่าที่จะได้เกิดผลที่สองประการคือเป็นวัตถุดิบสาหรับขบคิดม่เวลาว่าง ห, หรือม่าจะเป็นวัตถุดิบสาหรับได้คุยโวได้โต้เถียงกันให้อร่อยไปเลย ใช้นปัญญาชนิดสุดจับเนยปัญญานี้ยังไม่ปลอดภัยและเป็นปัญญาชนิดขั้นต้นเท่านั้นเว้นไว้แต่กรณีบุคคลที่พิเศษสุดเมื่อเราฟังเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าหรือพระอนุสาวกแล้วมันลืรวดเดียวจากสุดจเนียปัญญาหานไปสู่จินตาเนปัญญานั้ ชาพลังไปถึงภาวนาวิยะปัญญาแล้วเกิดการเห็นแจ้งเฉพาะกระพักขึ้นมาที่จงนั้นซึ่งมีอยู่ได้ในหลักฐานในพระครัมภี์เช่นประยุ์คุณบุตรเป็นต้นส <c oughs> ิ่งเรื่องสุดระยะปัญญานั้น <c oughs> จะต้องกาะแจอยู่กับตำราืรีครูเสมอไปและไม่เองเพราะนิสัยที่ชอบฟัง ของเราท่านทั้งหลายเมื่ออาจาที่จะมีศรัทธาหรืมีก็ทํารมในใจของตัวเองได้ว่าโดยโอกาสใหุ้คคลประเภทหนึ่งเขาพยายาไม่ใช่เป็นไม่ใช่ยะหยาบขายที่พู้ว่าโดยโอกาสให้ผู้ต้องการผลประโยชน์ที่เป็นผู้สอนนั้นมันเองตัดตวงผลประโยชน์โดยสอนเรื่อยไปทายกันรับฟังเรื่อยไปเพราะฉะนั้นเอง พระธรรมจึงานาได้เข้าไปประดิษฐานอยู่ในใจของทายกรหรือผู้รบฟังไม่การเร็ยนด้วยสุดตะที่สุตตะมีปัญญานั้นรจับและเป็นปัญญาชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งพระพุทธองค์ไงก็อสองเสริมสนับสนุนว่าผู้รู้หรือพิสูจน์จำเป็นจะต้องมีสั่งสมสุดตะ นายกไทยกาอาจจะต้องสังสส่งสมอุ่สั่งสมเงินสั่งสมชื่อเสียงแต่ว่าถ้าเป็นนักมินิเทอหรือเป็นผู้ที่ประสงค์ต่อทางของชีวิตที่ดีกว่านี้จําเป็นต้องสะสมสุ ด, ดจัหรือว่าท่านหลายจําเป็นต้องเป็นนายทุนเง่นคือเป็นนายทุนของสุดจับไม่ใช่นาทุนสะสมเงินหรือวัตถุปัจจัยอันเป็นเหตุเกิดวุวายขึ้นในสังคม สั่งสมสิ่งเียวสุจริตหรือเด็ๆของเราแทนที่จะสั่งสอนให้หันสั่งสะสมสแตมหรือรูปอะไรตรงนี้ก็ควรแนะให้เขาสั่งสมสุจริคือการเรียนการรับฟังเรื่องราวของชีวิตจากท่านผูรู้แต่อย่างก็ดีสุจริเมย์ปัญญานั้นไม่อาจกจัดความสงสัยได้สิ้นเชิญหมือนเราจะยิ่งเรียนมากกท่าใด ควสงสัยถึงอกงามตามเป็นเราต า, ตามตัวออกมาคราวนี้เภาพอยากใหุ้ประมาเหมือนกับว่าเราไปอามือขยาต้นไม้ให้ใบร่วงลงมาเมื่อใบมันร่วงออมาแล้วไอ้ใบมันกลาเป็นปุ๋ยเมืกลาเปุ๋ยมันก็ทำให้ใบใหม่ออกอีกร่วใบเรื่อยไปชั้นใดการเรียนด้วยสุดตะคือยิ่งเรียนมากจะยิ่งสงสัยมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกท ถ้ปราศ จ, จากปัญญาชนิดที่ลําดับที่สองทีจะกล่าวในลําดับถัดไปนี้ <c oughs> <c oughs> การเรียนด้วยสุดตะเนียปัญญานั้นไม่อาจละความส ง, งสัยนี้คือสิ่งที่ต้องร้ายพึงทาในใจได้ดีเพราถ้ารับฟังอย่างเดียวนี้หายสงสัยไม่ได้และความสงสัยจะกาะคุมอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุถึงซึ่งสัมมาทิฏฐิคือภาวนาปัญญา เพื่อเห็นพระธรรมอยู่ในใจของตัวความสงสัยจะเริ่มดับสิ้นลงไปคำถามชนิดแงกรง่รงๆแปลกๆจะไม่รบกวนอีกแต่คราวนี้ใช่ว่าความสงสัยจะสิ้นเชิง <c oughs> แบบเดียวกับกรณีของกรหันขี่นาศกแต่ความสงสยัยระดับที่ไม่ใช่มีสิ่งไม่ใช่ไม่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ท่านผู้นั้นจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นสิงที่ควรสงสยัยควรเลิ่งชนิด อะไรเป็นควรไม่สิไม่ใช่สิ่งที่ควรสงสัยเดี๋ยวนี้เราสงสัยอะไรต่ออะไรามากเกินไปเช่นกรณีที่โดยแจ้งจิตเป็นดวงดวงอย่างผู้ที่เรียนนะพพรมนั้นไม่อาจขจัดความสงสัยแต่ว่าจริงอยู่จรงแล้วว่าความสงสัยทั้งผู้พูดและผู้ฟังไม่รู้ด้วยกันทัน้งผูนั้นมัน อ, ร, อริยอรอยที่สุดคือมันมีปักษาพระ ฉนเอาได้พูดกี่ยวกัเรื่องที่ผู้พูดก็ไม่รู้ผู้ฟังก็ไม่รู้นียิ่งเพิ่มอัศราา์คือรสชาติของมันเราคุยกันได้เป็นชั่วโมงเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีถึงสิ่งที่เราเองไม่รู้เหมือนกันพราะเรานึกถึงที่จะคุยกันมานึกถึงตำราเช่นพระอนุรุตเขียไนไว้อย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นน่ยังมีหน่อยที่อ้าเองถึงท่านผู้นี้ขึ้นมา แตาก็าเป็นหลักการเรียนแบบเรียนายมาแล้มาจบเขียนกันนั้นแทนที่จะก้าวหน้าไปสู่จินตามยปัญญามันจะถอยลงไปสู่การสู้รบทิ่มแทงกันด้วยห อ, อกคือปากพระพุทธองค์ต้องใช้ศัพ์นี้มาว่าเธอทั้งหลายอยากทิ่มแทงกันด้วยห อ, อกคือปากการทิ่มแทงกันด้วยห อ, อกคือปากนั้นเพราะเรียนด้วยสุตตะประการเดียว แล้สุดจันั้นแม้ในคำพีเองมันก็ขัดกันไปขัดกันมาเพราะว่าในขั้นที่เรียกว่าสัตว์จะทำนั้นมันไม่อาจที่จะมีภาษาไหนรับใช้หรือที่จะพูดถึงได้ถูกต้องเพราะองจะต้องเรียกนว่าอวัยาะกะตับทำที่เป็นสิ่งีมันอยู่เหนือคำพูดของมนุษย์เพราะฉะนั้นเองคำพูดมันจึงขัดกันไปขัดกันมา เมื่อคนคนหนึง่งหรือคนหลายคนไปเรียนในครรคตําราเดี๋ยวก็ไดเถียงกันและเป็นเหตุทีเกิดสิ่งที่ว่าอคติการปัญญาทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อลบอคติการแต่คนที่เรียนได้สุดจะจะทำผิดตั้งแต่ต้นคือพ่อคูนอคังการในความรู้กร น, นี้เองแลาวทำไมเรานึกถึงคําของบรรพบริพึงเราได้ว่ามันพบริพึงเราได้พูดคำหนึ่งว่ารู้มากยากนาะน คือยิ่งๆๆเรียนมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักให้อุปสรรคหรือเป้าหมายหรือจุดหมายที่เราจะต้องเพ็งค่ากิเลสตัวนั้นก็คือมันงอกงามขึ้นเสียเองในสุดตรมยปัญญานั้นนั่นเองคือมันไปสู่การถีงคราวหนึ่นท่านอาตมินิณกะเศรษฐีท่านนั่งฟังพวกเบรธีสนทนาทำกันและพวกนั้นกับโจงตีพระผู้มีพระภาคเจ้า ตอนหน้ า, านาดบินดิกัเศรษฐีเพราะรู้ว่าคล้ายๆท่านองจะดาฝ่าไปท่านนองนั้นต้านเศรษฐีผู้เป็นพระรีเจ้านั้นนั่งเฉยไม่โต้อตอบแม้แต่คําเดียวแล้วก็รู้กลับไปเล่าให้พระองค์และพระผู้มีพระเจ้าฟังพระพุทธองค์ตจัดให้แอบประทานสาธุการว่าถูกแล้วพระาศาสดาไม่หวังการป้องกันจากสาวกและสาวกไม่ต้องป้องกันพระศาสดา แบได้ทั้งสิ้นเรื่องราของสุดตรัสรูาปัญญาน้ำไปสู่การทิ่มแทงกันด้วยออกปาลและการหมางเหมือนกันในที่สุดไม่อาจเกิดสิ่งที่เรียกว่าเมตตาที่แท้จริงได้แต่ครานี้ใช่ว่าทั้งหลายจะไม่พึงสนทนากันการสนทนาท่แท้จริงที่เรี ย, รรรยรสนนกนสนทนาทํ า, รทรนทนาทหรือเสวนธรมนั้นเขาเรียก ว, ว่ากถาประวัติติ คือคุยกัแล้วําไม่จีดรัมเนาะทราบซึ้อหรือลดั้การระมังการวิืีประเดชกุลท่านอาจารย์ที่ฉายาเรียกว่าลบตัวคู่ของคู่โลคือจึงคุยกันทนายวิญญ์สลดในการที่ตัวเองอยากจะเป็นผู้ชนะหรืออยากจะแผ่ขยายอํานาจที่จะไปครอบําหรือครูผู้อืด้วยความรู้ข้อนี้เองเป็นเหตุให้เราพึงนหลักนี้มาตัดสินได้ว่า การเรียนของมนุษยในปัจจุบันนี้มุ่งไปสู่สุดตะโดยประการเดียวแตดูเฉว่าจะมีการแตกฉามแต่คารสังเกตดูดีจริงๆแเราเรียกว่าแตกสามนะาะประมเหมือนว no e ่าอ um ินเ um ียก็มากแต่สามไม่ติดว่ารู้ไหมมนคืออะไรกันแน่ส่วนผู้ที่แตกฉามจริงต้องมายว่าประดุกับคนที่เวียงพวรลงไปเอ่อครอบเวียนไป นักอาดีสาวรวบกลับขึ้นมาจับปลาได้นั่นคือแตกฉานหรือเหมือนกรบเราเปิดร่วมงลกไปและหลุบ ก, กลับมาได้คือสลุมเรือง เ, อ เ, อเอดี่ยวได้ส่วนแตกซ้ำ น, นั่นคือรู้ภาษาละพัดแต่ว่าไม่รู้มันสารกันอย่างไรเหมือนคนสารตะกร่อไม่เป็นและเพิ่มขึ้นเส้นหวายใหม่ๆไม่รู้มันสอบสารกันอย่างไรดีถ้าจะอุปมาเห็นได้ชัดอีกก็คือว่า สิ่งที่เรแตกส้ามันยิ่งเรียนสุดระมากเท่าใดาโดยเพ่งพินิษฐ์เข้าไปในจิตใจของตนให้ดีแล้วมันจะประหุกกับการที่คนไทยนาไม่เป็นเราจะเรียกกันว่าประเทศแตกส้าผานรอยจะเข้าใจหรือไม่ไม่ทราบได้คำว่าผานคื อ, อที่จะตักดินพลิกขึ้นมาผานรอยหมายความมันไถ่ไม่ติดดิน แล้วมันเข้าใจว่าไถนานง่ายก็คือเขี่วัวแล้วก็เดินลอยไปเฉยๆแล้วสุดไถนานง่ายแต่ว่ามันไม่พลิกดินขึ้นง่ายแต่นิดเดียวงานความรู้ที่ว่สุดดันั้นมันเรียนเรียนยู่เหมือนว่าง่ายได้ที่สุดจํา ง, ง่ายนีดเดียวและเดียก็กลายเป็นอาจารย์หรือพระอาจารย์ขึ้นอย่างง่ายได้นุ่นพื้สุดดับเมย์ปัญญาเท่านั้นและผู้นั้นไม่รัาจละความสงสัยได้เลย เลนไว้แต่แกแร่งทำไม่สงสัยคราวนี้เลื่อนมาถือจินดามยปัญญาก็คือผลสืบเนื่องมาจากสุตตะนั่นเองเมื่อฟังวัตถุดิบมามาพอแล้วก็นั่งสอบสวนแห่งพินิดด้วยเหตุด้วยผลก็เริ่เห็นเหตุผลของอาคำสอนหรือสุตตะที่พระพุทธองค์ท่านสั่งสอนไว้หรือพระอริสาวกท่านแนะนำไว้ ก็เริ่มเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็เริ่มยอมรับเริ่มทราบซึ้งเข้าไปในเหตุผลนั้นๆเช่นกรณีเรื่องความทุกเกิดจากปัญหาอย่างนี้มันเริ่มเห็นจริงประดุจว่าเหมือน อ, อกรรักของเตานี่สายไ ฟ, ฟเสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปเดียวก็ร้อนแดงขึ้นชันใดมันก็เริ่มจับได้ว่าคนอยากอะไรที่ไหนก็ร้อนขึ้นมาพอแสวงหากก้มันก็ร้อนด้วยก ก็เกิดการบีเชนาสวยงามก็เกิดกามปริราหเร่าร้อนเพราะกาพิจิตมันถูกกิดตุ้นระวนวกวายอย่างนี้เห็นเหตุเห็นผลหรือมันต้องสอบสวนคิดดูคิดนึกด้วยหลักของปรัชญาก็ายังเห็นเหตุผลอยู่ทเ <c oughs> ช่นไม่เหตุผลว่าเราควรจะเมตตาซึ่งกันและ ก, กันไม่คนรเห็นฆ่าผู้ พ, พเป็นหลายเป็นสับ ร, ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นเหตผล หรือเป็นปรัชญารืยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับตับกกะคือมีเหตุมีผลแต่ทั้งหมดนั้นหาใช่ผู้ทรงธรรมม่สุดจับเนี่ยปัญญาหรือจินตามนียปัญญานะั้นมันเป็นเพียงลำดับขั้นตอนอขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่อาจละกิเลสได้เพราะอะไรเล่าเพราะแม้เราจะเข้าใจเหตุผลยังถูกต้องชัดเจนแล้วมันยังเอาไม่อยู่ต่อกิเลสที่เรานี้เราเห็น เพราะควรจะละถ้ามันไหลายก็คุณจะประสบเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองว่าเรามีเหตุผลังหลายสิบหลายร้อยครั้งหลายร้อยเหตผลที่จะละสิ่งที่ไม่ดีเจริญสิ่งที่ดีแต่เราเอามไม่อยู่พอถึงเวลาแล้วมันต้องไหลเฉ ย, ยไปตามที่มันเคยชินเพราะมันยังเป็นเพียงเหตุผลหรือจินตามะยะปัญญาเท่าะนั้น สุดะมรพัญญากินดางมพัญญานั้นต้องเกาะแจอยูกับตำราครูครือไม่ก็เดตผลแต่ไม่อาจบังคับกิเลสหรือละกิเลสหรือทำให้มันถอยกำลังลงไปได้มันจะพ่อคูณพามีดีขึ้นระดับหนึ่งที่เริ่มเข้าใจแล้วก็ทราบซึ้งและเปิดโอกาสให้แกขังกางอย่าง่ายได้ซึ่งเราจะเห็นว่าผู้เรียนมากใหม่ๆนั้นจะวิโอ ออออออคือถึงขนาเที่ยวขมเที่ยวดาเที่โจมตีเกิดลัที่โจมตีกันแม้ในหมู่นักธรรมหรือผู้บระรทมนี่แหละคือลำดับที่ไม่เข้าใจในตลอดเรื่องว่าการเรียนธรรมะนี้มันมีลำดับขั้นตอนอย่างไรไปแต่คลุกเอาสิ่งที่เทิจจริงสุจริและเหตุผลว่าเป็นสัจจะแล้วก็รู้สึกว่าดีอดีใจภาคภูมเิเชิคอีงยโสอยู่ ซึ่งที่จริงนั้นข้าวจะผิดจะแล้วธรรมะทั้งหมดที่พระพุทองค์ต้อง ก, กลับขึ้นเป็นเพียงอุบายวิธีที่จะให้เกิดมองเห็นโทษของอหังการแต่เมื่อเรียนข้าเรียนข้าวมันกลับไปค้อคคลุอหังการขึ้นข้อนี่หลกเป็นอุปสัรคและเป็นความโน้มช้าอย่างมีเือที่จะเนิ่นช้าในมู่ทา ย, ยกของท่าน <c oughs> <c oughs> ที่ได้สังเกตเห็น พระจ้าท่มีคำหนึ่งที่เรียก ว, ว่าวิเศวณัติคือการเสพติดตดิดดุจเสพเฮโรอีนหรือยาเสพติเพราะฉะนั้นคนที่คงการเรียนอินเทอร์มากอะไร่ยิ่งจะเกิดอังการแรงขึ้นแรงขึ้นและสลับกับความรู้สึกภาคภูมิใจปีดีว่าตัวเองรู้ธรรมะครั้งครั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้ตัวเองที่โมโหขึ้นทุกวันฉุงเฉียวขึ้นทุกวันแล้วก็มินผู้อื่นขึ้นทุกวัน ชมผู้ที่รู้ธรรมจริงนั้นจะมองไม่เห็นโทษของใครเลยมองเห็นแต่มิจฉาทิฏฐิที่บุคคลสมทานแล้วก็เกิดโทษเขาจึงไม่มีศัตรูที่เป็นคนแต่ก็มีศัตรูที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเขาจะฆ่ามิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่ฆ่าคนก็เขาจะตีลูกเขาก็ตีมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ตีตัวเด็ก คือสายตาของผู้รู้ธรรมะจะเริ่มลักสัพนิมิตภายนอกเริ่มละปุกระสัญญาเริ่มลงมังวามรู้สึกว่าคนนี้มีโดยหลักของพุทธธรรมแล้วคนนี้ไม่มีมีแต่ขันและการสมาทานมิชฌาทิฏฐิหรสัมมาทิฏฐิเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะไม่เกิดหอหังการจะหรอหังการไม่เริ่มดับลงดับลงเมื่อคำพูดของท่านผู้รู้เออ ซึ่งพระพุทธองค์เป็นต้นตรัว่าหาสวะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เพ่งโทษผู้อื่นเป็นนิดรือทนพระเยซูคริสตตรัสว่าพระบิดาหรือพระเจ้าในสวรรค์จะทำให้ผู้คนแก่เรียนเอาอ ก, กับของเขานับขาของเขาเองขึ้นเราจะพบว่าคนที่เรียนเหมือนที่ท่านฮูโกกลมาว่า ผู้ที่เรียนมากคิดมากในเหตุผลนั้นมากมายเหมือนกับผลของวัวแต่ผู้ที่บรรลุถึงธรรมหรือองค์พระธรรมนั้นน้อยประดุกเขาของวัซึ่งเทียบกันไม่ติดเพราะอะไรเล่าเพราะว่าการที่บรรลุถึงกระแสธรรมต้องฆ่าอาังการาคือความรู้สึกภาคภูนนมิยิงหรือความรู้สึกที่สำคัญต่ำเอง เรื่องการที่เรียนสุดะและจินตามยปัญญามันกลับพ่อคุลและมีสเสนหาชวนให้เรียนชวนให้ท่องชวนให้จำและเป็นไปเพื่อศาสตร์สวะพ่อคุลอสวะขึ้นทุกวันทุกวันชวนธมะจริงนั้นจะต้องทวนกระแสจิตเสมอไปข้อนี้แหละเป็นเอง้งผู้รู้ธรรมะจะต้องค่อยๆอยุกปากเงียบลงเงียบลง ใหม่ๆนั้นจะพูดธรรมะเป็นผู้เป็นแฟนว่าจะเก่งกาจกว่าท่านที่เป็นพระรัตนชื่อด้วยซ้ําไม่ที่สุดผู้เขาสังเกตเข้าทุกวันทุกวันถ้อยคําของท่านเหล่านั้นจะเริ่มลดลงลดลงจนเหลือเท่าที่จําเป็นจริงๆและเป็นธรรมล้วนๆเท่านั้นจะไม่มีถ้อยคําที่เพเื่อเจ้อหรือออกนอกแนว ด้วยเหตุนี้เองท่านที่เป็นพระอรหันต์คือผู้ที่บรรลุถึงภาวนาเมย์ปัญญาเด็ดขาดแล้วเพียงได้ยินถ้อยคำหรือน้ำเสียงของผู้พูดเท่านั้นก็อาจอย่างรู้ได้ว่าผู้นี้ยังมีราคะแม้จะพูดธรรมะอยู่หรือผู้นี้มีโทสะหรือผู้นี้ยังมีโมหะแม้จะจําคํำพีได้อย่างริษึงหรือแม่นยำขนาดไหนก็ตามเมถึง ปัญญาชนิดที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญา <c oughs> มันก็คือผลสื่อต่อจากการคิ ด, คดนิ่งๆไปเหตุผลอันต้นมันเองและย้อนมามองด้านในครนี้ขอท่านทั้งหลายโปรธนี่หฟังให้ดีการเรียนที่สุ ด, ดะจะและจินดานั้นมันมองด้านนอกจริงอยู่เหตุผลดูเสมือนว่าจะเป็นการมองด้านใน แต่เหตุผลเหล่านั้นขึ้นอยู่กับวัตถุธรรมด้านนอกเป็นปัจจัยเสียส่วนใหญ่แต่พนามายาปัญญานั้นมันเป็นจุดตั้งต้นแห่งการเฝ้ามองด้านในอยู่โดยลืมเรื่องเหตุผลหรือสุจะที่เรียนมาเสียลืมในกรณีเช่นนี้ไม่ได้ไหมายว่ามันจะเสื่อมความจําแต่ไม่จําเป็นต้องนึกถึงัอีกเรื่องเหตุผลือเรื่องความจำํำคันมองด้านในให้นอน แล้วมันเกิดเห็นเรื่องราวด้านในขึ้นมาการเห็นนั้นจะสมทบกับความจำเดิมในสุดตะและเหตุผลที่เคยคิดไปแล้วทุกครั้งที่มีการเห็นมันจะอุทานอ้อขึ้นมาทันทีทุกทีทุกทีคำว่าอ้อในที่นี้หมายความว่เป็นเช่นนี้เองจริงแล้วที่พระภูพุทเจ้าตรัดไว้เป็นเช่นนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วชัดเจนแล้ว ถ้าว น, นี้ความสงสัยจะเริ่มดับลงดับลงศรัทธาจะเริ่มเปลี่ยนจากครูหรือตำรามาอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตำราเริ่มยิ่งใหญ่ที่สุดหรือมาอยู่ที่องคธรรมคือเห็นทั้งกุศลธรรมและอกุศลที่เกิดขึ้นทันทีที่มนุษย์เริ่มหันมองด้านในเป็นหรือจำเดิมตั้งแต่มนุษย์เริ่มมองข้างในโดยละสัพนิมิตผ่านนอก ก็สั์นิ้วภายนอกมาครั้ว่าตาของเขาเริ่มกลับก็ไมองด้านในแม้ว่าตาเนื้อนี่ยังเบิกเริงรอยู่ด้านนอกก็จริงอยู่แต่สติสัมมาัญ ya ทั้งหมดเฝ้าดูอยู่ตาด้านในเมื่อเป็นเชนนั้นเมื่อเกิดปัจฉาอารุณโกรธโดยถูกด่าหรือถูกนินทาเขาจะไม่โกรธปากที่ขมุกขมิบของไอคนหน้าตา น, นังเช่นนายกอัดาเขาไปเฝ้าดูอาการที่ถูกกระตุ้นข้างใน เป็นสู้ขึ้นแล้วมันก็ย้ำความผิดแล้วก็เกิดความรู้สึกที่จะเอาขื้นหรือผูกเปียบบาทมิเห็นอย่างนั้นจะเกิดอาการวาดกลัวต่อสังสารวัตรขึ้นจะเห็นชัดว่าจิตใจนี้ทำผิดนิดเดียวมันเกิดเป็นเชี่ยน า, นา้ำเกิดเป็นวัตทะขานุสับนี้แปล ว, ว่าเสี่ยงต่อหรือหลักต่อในวัฏทะสงสารมันรู้สึกทันทีว่าใจนี้มันครุขระ เมื่อดำลุมจิตผิดเพระาะฉะนั้นคนที่มองด้านนอกไม่อาจเลยที่จะเห็นหรือเกิดปัญญาชนิดภานาเมยปัญญาส่วนคนที่เริ่มหลีคำว่าหลีไม่ได้หมายหลีตา ก, ก็คือละให้ความสําคัญแก่ด้านนอกน้อยลงคือลดค่านิยมของเรื่องด้านนอกเกียรติยศเรื่องการเรื่องอะไรออกเพื่อที่จะเห็นเรื่องราวด้านใน เมื่อเกิดการมองด้านในขึ้นมาทุกวันทุกวันเช่นนี้อายุ ด, ด้านในนั่นแหละจะเป็นเครื่องตัดสินวัยที่แท้จริงข้ามิกรามผู้เท่าคนหนึ่งไปหาพระพุทธองค์แล้วก็ตะโกนใส่หน้าตะโกนด่าว่าพระโคโดมได้ยินข่าวว่าไม่เคารพผู้เท่าผู้แกหรือผู้เท่าผู้แกไม่เป็นหลักชัยของสังคมหรือ ตัวเองยังนั่งอยู่สมัยไม่เคารพไม่ลุกขึ้นต้อนรับผู้เท่าผู้แก่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสต่อบว่าดุณโกรธพรามผู้เท่าผู้แก่บางคนนั่งผมขาวแล้วยังพูดไม่ยริงพูดโลเลไม่มีเหตุผลพูดสะพร้าวไม่มีที่อ้างที่อีไม่มีความรับผิดชอบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนี้เราไม่เรียกว่าผู้เท่าทรงค้นพบบางคนมีเกสรดําำมืด แต่ก็าพูดความจริงมีเหตุมีผลนี่ก็คือมีอายุด้านในนานมองพฤติของจิตจนเกิดเหนื่อยต่ออาการถูกกระตุ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละผู้นั้นเรียกว่าผู้เท่าหรือบัณฑิตแท้ไม่ใช่ภาลบัณฑิตก็นี้เองก็คือสิ่งที่ว่าท้านสง่าจําเป็นที่จะต้องอเพียนที่จะทําลายความเมืนอยชา้าที่ว่าปปัญจะทำ ปัญจธรรมนั้นนั่นคือรสอร่อยที่ให้วนเวียนแต่เรื่องการฟังการคิดและก็การถกเถียงลืมแม้แต่การมาวัดมาพูดอย่างนี้จะโปรดจะเข้าใจผิดหรืออาทิตย์หน้าจะไม่มีใครมาสักคนหนึ่งก็หมายความว่าการมานั้นถูกต้องแล้วแต่ว่ามาเพื่อเพ่งพินิษเข้าไปด้านในเสมอไปเพราะเป็นเชนนี้เราจะพบว่าเรามีสิทธิที่จะไม่มาวัดก็ได้ ก็คือเราเอาวัดเข้าไปอยู่ในบ้านก็ได้หรือในรถเมล์ก็ได้ประพฤติทำในรถเมล์รถไฟในรถยนต์หรือในขณะที่กําลังทํางานอยู่ก็ได้โดยการที่ตามองอยู่ด้านในตาของชีวิตไม่ใช่ตามเมื่อนี้ต า, านี่ยมันก็ต้องใช้หน้าที่เพื่อสแสวงหาวัตถุถปัจจัยเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงอัตภาพของส่งไว้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เราใช้ตาผิดเราใช้ตาสอดสายหากรรมรศหรือเพศรศ หรือส่อสายที่จะให้เกิดอาฆ่าพยาบาทขึ้นมาเพราะอายุด้านในน้อยเกินไปก็คือว่าใช้ตาผิดผิดเที่แสวงหาอะไรมาเพื่อจะทิ่มดำตัวเองสายไปสายมาเพื่อจะหาอะไรมารบกวนคิตใจส่วนผู้ที่มีอายุด้านในมากหรือเป็นผู้เท่าด้านในนั้นตาข้างนอกมันเริ่มหายโลเลซึ่งพู้พุทนก็เรียกว่าเป็นผู้ละโลเลในจับสุ โลเลในจักสุขไม่ได้หมายว่าตานิ่งเหมือนตาคนตายมายความันก็มองอะไรทุกอย่างอย่างฉับพลันรู้เห็นอะไรอยู่อย่างถูกต้องแต่ว่าความปรารถนาฝ่ายฝันที่จะสวยสดจากอารมณ์ทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกทางอายตนะทั้งสิ้นก็ดีมันเริ่มถอยกำลังหรือเป็นเช่นนั้นความ ร, าร้อนจากการสแสวงหาจะเริ่มระงับลง รูปทางเลาร้อนจากการสแสวงหากขาตงับลงแล้วการสแสวงหาเช่นนั้นแหละจึงเรียกว่าการสแสวงหาที่ถูกต้องก่อนหน้านั้นเป็นการสแสวงหาเพื่อเขาผานตัวเองเมื่อเป็นคนที่อยู่ดีๆขาทั้งตัวไม่มีแผลมือทั้งตัวไม่มีแผลก็เอมีดมาถือเข้าแล้วก็มันรักษาเพราะสแสวงหาผิดๆส่วนผู้ที่มีอายุด้านในนานคือมองก็ไปจะเกิดปัญญาชนิดที่เรียกว่าภาวนาเมญปัญญา ซึงมันจะขยายกว้างไปถึงเรื่องการละนิวรณ์เพราะว่าถ้าละนิวรณ์มาไม่ได้แล้วภาวนาปัญภาวนามยปัญญาหรือการมองด้านในลึกซึ่งชัดเจนเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดไม่ได้ข้อนี้จึงต้องเกิดการประพฤติศีสมาธิขึ้นมาเพื่อจะได้ภาวนามยปัญญาแต่มันสรุปได้คำเดียวว่าก็คือการมองด้านในนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นในลัตที่อื่นที่แม้จะไม่มีการสอนเรื่องอะไรมากมายเหมือนพุทธธรรมนะั้นแต่นับต้งแต่มนุษย์เริ่มมองด้านในเข้าไปทุกวันทุกขณะจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นเรียกว่าอาณาปานสติภาวนาให <c oughs> ม, มายนั้นสติของเราจะจมอยู่ในความคิดหรืออารมณ์ที่เข้ามาปะทะแต่นานเข้าสตินั้นจะค่อยๆมีกาลังขึ้น มูน่นจากมองนานเข้านานเข้าแล้วเห็นโทษและจิตมันก็ดิ่งในทางที่จะสลัดออกโดยสํานึกเท่านั้นสิ่งทีเรียกพระธรรมหรือธรรมะนั้นขึ้นอยู่กับพลังชนิดหนึ่งก็คือว่าเจตจำนงที่จะพ้นจากทุกสัตว์ทั้งหลายไม่มีสัตว์ตัวไหนแม้แต่นอนตะตูงที่ปรารถนาทุกข์เราท่านทั้งหลายมีมันสมองมีควารู้สึกที่สูงกว่าสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสํานึกที่จะออกจากทุกจึงแรงกว่า แต่เหตุไฉนเราจึงเกิดวกวอนอยู่ในสังสารวัตรหรือกิเลสอยู่นานนักหนาเช่นนี้ก็เพราะว่ามนุ่นเข้าใจผิดไปเสวยรสในสิ่งที่มันจะทำให้เกาะเกียวอูพันจนกระทั่งเพื่อเพินจนกระทั่งในที่สุดมารู้สึกตัวเ อ, อาเมื่อสายเสร็จแล้วเสมอไปนี่คือโมหะของมุทะ เพราะฉะนเองการมองด้านในเป็น <c oughs> จะเกิดเรื่องราวชนิดไม่น่าเชื่อขึ้นมาก็คือเรื่องปาฏิหารโดยเหตุผลข้อเดียวที่ว่าท่านผู้มองด้านในหลังนั้นจะเกิดยานทัศนะอันวิเศษสุดโดยรหัสเช่ยไหนคือไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลได้ก็นี่มาภาพก่อย้อนไปถึงเรื่องตั้งแต่ต้น <c oughs> ก็คือว่า ถ้าบุคคลหนึ่งคนในอย่างกรณีของพระพุทธองค์หรือพระอรหันต์ที่เป็นประเภทปฏิสัมพิทานั้นตั้งก็ผ่านทางสุดตะัะคือรับฟังและคิดด้วยเหตุผลและเฝ้ามองจนบรรลุถึงสัจจะอันแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลประเภทนั้นแหละพึงอาจอธิบายอะไรได้ชัดเจนเพราะเขาเคยผ่านการคิดนึกมาอย่างโชคโจนแล้วเมื่อได้บรรลุถึงสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ท่านก็ยังอานหรือ หาช่องทางที่อธิบายด้วยเหตุผลให้ใกล้เคียงที่สุดคราวนี้ยังมีท่านผู้รู้หรือบัณฑิตหรือพระอาจานยประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านสุตตะมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาแต่ผ่านภาวนามยปัญญาไม่มีใครสอนเช่นพระปัจเจกโคบเป็นต้นหรือแม้แต่หลวงตาบ้านนอกองค์หนองค์ใดก็ตามไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกขีนไม่ได้แต่เฝ้าดูอยู่ข้างในตลอดนานพอสมควรแล้ว มันเกิดแจมแจ้งขึ้นมาแล้วพูดไม่เป็นไม่รู้จะลําดับเรื่องราวให้คนอื่นฟังได้อย่างไรแต่ถ้าเรานั้นแหละจะมียานชนิดหนึ่งที่เกิดโดยรหัสไชนัยที่เรียกว่าจักเรียกว่าลึกลับหรือปาฏิหารก็แล้วแต่จะเรียกแต่ขอให้เข้าใจว่าปาฏิหารนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะคิดอย่างเครื่องเลืสิ่งเรียกปาฏิหารพระพุทเจ้าท่านตรัสไว้มีเพียงสามก็คืออิทธิปาฏิหาร แสดงริบได้และสิ่งที่เรียกินั้นเราต้องฝากไว้ในฐานะที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อาจเป็นไปได้เท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าต้องได้สนใจสิ่งที่เรียกอิทธิปาฏิหารข้อนึงต้องกล่าวว่าเราอุดหนุนขยักขยแงที่จะแสดงอิทธิปาฏิหารต้องใช้คําว่าอุดหนุนขยักขยแงเพราะว่าถ้าขืนทํประชาชนจะเริ่มเขาใจผิดและไม่สนใจเรื่องดั คื เ, เรื่องอริยศัจสี่จัดสนใจแต่เรื่องการสแสวงหาฤทธิ์เพื่อไว้เพิ่มอหังการหรือมะมังการหรือเพิ่มตัวตนของตนเพื่อสแสวงหาอำนาจแสวงหากรรมด้วยฤทธิ์ชนิดที่สามารถทําให้อื่นยอมพ่ายแพ้นั้นนั่นเองส่วนฤทธิ์อันดับที่สองกเรื่องอาเทศนาปาฏิหารคือการดักใจได้อย่างอัศจรฤทธิ์ชนิดนี้เกิดขึ้นได้โดยที่ว่าผู้ที่มองด้านในเป็นนาน พอสมควรจนจับการเคลื่อนไหวหรือการถูกกระตุ้นชั้นปราณนิละเอียดที่สุดได้เมื่อท่านได้ยินเสียงผู้พูดเท่านั้นท่านอาจอย่างรู้ทันทีว่าผู้นี้ยัมีราคะหรือผู้นี้มีโทสะหรือผู้นี้มาเพื่อลวงเราด้วยแน่หนึงแน่ใดแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่เป็นบุคคลประเภทที่จะเอาคืนหรือแก้แค้นเมื่อรู้ว่าเขาจะมาต้ม แต่กลับตรงกันข้ามเมื่อจะถูกลวงบางทีจะกลับกระรุณาส่งเสริมเสียอีดังเรื่องราวของพระคริตกับสาวกคนที่สิบสามที่เรียกว่าชื่อยูดาสอิสคาริโอพระคริตท่านลุ้ต้องถูกประหารแน่นอนเพราะสาวกรู้นั้นกำลังจะถอ ย, ทยกท่านกลับพูดว่าจะทำอะไรก็รีบทำเถิดแทนที่จะโกรธหรือหาทางป้องกันชีวิตของตัวเองไม่เป็นเช่นนั้น อาเทศนาปาทิหารนั้นก็คือการดับใจได้ <c oughs> ซึ่งมีได้หลายวิธีด้วยการเข้าชาญ น, นั้นอีกเพื่อนหนึ่งแต่โดยสัยสามัญที่ท่านที่มองด้านในเป็นนานประด๊